โสตารต a อุค at ิจติธาติ t ันจัดิสวารตังชาตังมูลังปัญญาชินท่าสริตานิสเนหิตานิจาโสมนาจานบวันติฉันตุโนเวชาติเตสาทสิตาสุเคสโน เตวชาติชรูปะคานรากสินายาปุรักตาปะชาปริสะปันติสะโสวพาธิโตสังโยชนสังคาสตาโยกโมเปนติปุนาปุนังจิรายากสินายาปุรักตาปะชา ปริสัันติสโสวพาธิโตตัสมากสีนังวินทะเยพิโคอากังขังวิราคามตโนนต้นไม้เนี่ยเมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงอยู่ถึงจะถูกตัดไปแล้วย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวแม้ฉันดัใช่ไหต้นไม้เป็นอย่างนั้นนะ ตัดแล้วตัดอีกมันก็นงอกเมื่อตัณหานุสัยอันบุคคลยังผจัดไม่ได้ทุกคือชาติทุกขชราทุกขพยาธิทุกข์มรณะทุกความโศกความร่ำไรํำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจย่อมเกิดขึ้นร่ำไปฉะนั้นกระแสของตัณหาสามสิบหกใช่การมาตัณหาหกรูปตัณหาหกใช่ไหม ก อ, อการมาตนหนา6กภาวะหนา6วิภวะหา 6, 6, 6, 3, นาห6สามสดอดีต18ปใช่ไหมปัจจุบัน18อนาคตสิที่จริงก็คือว่าของตนเองเนี่ย 18, บวกของคนอื่น18รวมเป็นส6 3สสาปัจจุบัน 3, บวกกับสามหอดีตและอนาคตเป็นร0 8เนี่ยกระแสะของตันหาซึ่งไหลไปในอารมณ์ ไหลไปตามรูปารมส์ตาารมกันนารมรักษารมบวชตะารมและทำอารมที่ชอบใจนี่นะเป็นธรรมชาติกล้าแข็งย่อมมีแก่บุคคลใดความดําริอันมากที่อิงอาศัยตัณหาอิงอาศัยราคะย่อมนําบุคคลนั้นไปสู่ทิฏฐิที่ชั่วเลยเพราะตัณหาไหลไปนะที่ไหนทิฏฐิไหลไปตามนั้นไหยกระแสของตัณหากระแสของทิฏฐิกระแสของกิเลสกระแสของทุติยฤทธ์ก็ท่วมทับ กระแสของตัณหาไหลไปสู่อารมณ์ทั้งปวงนะตัณหาดุจเทววันแตกขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ท่านทั้งหลายเห็นตัณหาดุจเทววันนั้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วจงใช้ปัญญาในอริยมรรคเริ่มจากปัญญาในวิปัสสนาปัญญาที่เป็นโลกิยะนี่แหละตัดรากเงาเหมือนเสียเถิด สมณะทั้งหลายที่สร้างไปในแปดเพื่อนในตันหาดุดยางเหนียวเนี่ยย่อมมีก่สัตว์เราสัตว์เหล่านั้นอนะาศัยความสําราญเป็นผู้สแสวงหาความสุขใช่ไหมในการมาพบรูปประพบอรูปประพบนี่นะมรชนหรือนราเหล่านั้นจึงเข้าถึงชาติเข้าถึงชรลาเข้าถึงพญาทินะเข้าถึงมรณะหมู่สัตว์นั้นถูกตันหา ตัญหาที่ทำให้เกิดความทื่นลนแปดล้อมแล้วย่อมกระเสือกกระสนไหมดุดกระต่ายที่ถูกนายพานดักไว้ได้แล้วฉะนั้นเราสัตว์ผู้คล้องแวะอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเป็นเครื่องคอนคลองกามตราคะสังโยชน์และกามด า, าและกิเลสทั้งหลายย่อมเข้าถึงทุกบ่อยไหมถึงชาติที่ทุกบ่อยไหมเชราพยาที่มรณะบ่อย อยู่ย่านานมูสัตว์ที่ถูกตัณหาทำความดิ้นรนห้อมล้อมไว้แล้วย่ำกระเสือกกระสนเหมือนกระตายที่ถูกนายพานดักจับไว้แล้วฉะนั้นเพราะเหตุนั้นเน่ะภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรือบาสิกาผู้หวังการสำรองแคดีเลตต้องบรรเทาตัณหาที่ทําให้ดิ้นรนเสียต้องนิ่มบรรเทาเสียวันนี้เพราะมันทําให้เรากระเสือกกระสนมายาวนานแลยวเอาแค่ในภพนี้กระเสือกกระสนมาเยอะไหมนเนี่ย เกษร์กสนมาโอ้โนี่นเกษร์กสนอย่างยาวนานแล้วทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าท่านท่านท่านหมดจากกีเลสแล้วท่านตั้งอยู่เหมือนเหมือนไม้ที่ไม่มีรากต้นไม้นะี่ดูอยู่ท่านงามเนะี่ยต้นไม้เนี่ ง, งามมากต้ น, น แต่ต้นไม้นี้ไม่มีรากฉะนั้นถ้าล้มลงจะไม่แตกขึ้นมาใหม่แล้วจะไม่งอกอีกแล้วเราท่านทั้งหลายเป็นต้นไม้ที่มีรามีรากแล้วรากลึกลึรากลึกเลยใช่ไหมเนี่ยโคนก็คือตายเมื่อไหร่มันก็แตกขึ้นมาใหม่โคนเมื่อไหร่มันก็แตกขึ้นมาใหม่นี่เขาเรียกไม่ได้ถอนรากของตัญหาสักที ไม่อบรมสิขาสามเพื่อจะเป็นการถอนรากทีเนี้ยแล้วอะไรจะถอนกันละเนี่ยยังชอบการเกิดบ่อยๆใช่ไหมมันต้องถอนก็นทั้งรากใช่ไหมเนี่ยนี่ต้นไม้ท่านท่านเป็นต้นไม้ที่ไม่มีรากแล้วท่านถอนได้หมดแล้วแต่เราไม่ยอมถอนกันเนี่ยที่มันก็แตกอยู่นี่แหละก็ การเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์ร่ำไปแก้บ่อยๆก็เป็นทุกข์ร่ำไปตรงเนี้ยจริงๆท่านชีน้ให้เห็นนะว่าเออถ้าหากว่าสตรงเนี้ย เ, เ, เป็นเป็นเป็นแรงกระตุ้นเวลาท่านฟังทำแบบนี้สมัยก่อนนะนะวูดแรงกระตุ้นท่านแรงมากแค่เนี้ยท่านเล่งความเพียนอย่างรวเร็วจิ่เลท่านปังสวดแค่เนียท่านเล่งความเพียนอย่างมากเลยใช่ไหม มมางทีเราไปอ่านก็พ่านๆกันได้อย่างเงี้ยนั่นไม่ได้จบนะไม่ได้จบไม่ได้ไม่ได้แค่โอ้เป็นอย่างนี้นะโอ้เป็นอย่างนี้เนะี่ยถ้าอ่านแล้วอเป็นอย่างนี้นะ่ะมันจะดุ้งใช่ไหมต่อมาเนี่ยนิจันก็เหมือนต้นไม้ที่รากขาดแล้วนั่นต้นไม้ที่รากขาด ไ, ไปลว่าโอ้ยงามฝ้าหลานด้านงามมาก ใชในการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการกล้าวไปถอยกลับหุ่นเงาอ่ะอินทรีย์ทัานผ่องใสสงบเนี่ยเดินเดินบินบา่าท่านไปในลําดับต่อสะปาทานั้นเนี่ยคือเที่ยวไปตามลําดับต่อคือเที่ยวไปตามลําดับไม่เลยเรือนที่ถึงแล้วท่านไปถึงเรือนไหนไม่เลยเนียก็ไปอุปสรรคกับมีได้แก่เข้าไปอยู่มารดาของท่านเน่ยเห็นบุตรออกจากเรือนพาเข้าไปมีภายที่อยู่ ให้นั่งบนอาสนะปูแล้วก็ถือถือการบูชาบินดาของพรหมเป็นนิษฐ์อหูติงนิจจังปกคันหาติบอกว่าก็หมายความบอกว่ารักของบูชาคือบินดาคือก้อนข้าวในการเป็นิษฐ์ก็ในวันนั้นนะ่ะทำพีกรารเพื่อพบ่อพูดในเรือนนั้นนะ่ะทุกเรือนทาสีทุกเรือนก็คือทาสีเที่ยวสีขาวตามเลื่อนกราดไปหมดแวดล้อมไปด้วยรัพย์และดอกไม้ ยกธงประดับขึ้นตั้งหม้อน้ำไว้ให้เต็มไว้เต็มที่จุดประทีปสว่างประดับด้วยผงหอมดอกไม้เป็นต้นแล้วก็ได้มีวนเวียนเที่ยวถือสิ่งต่อไปตามลำดับนาวนกันนางพรามทั้งหลายแม่แ้่ก็ลุกขึ้นแต่เช้าอาบน้ำหอมสิบหกหมอ้อตกแต่งร่างกายอย่างดีเนี่ยไม่ใชยตอนรับลูกนั้นก็ะจะไปบูชาพระพรหมของเธอ สมัยนั้นนางให้พระขี่นาศบนั่งแล้วแล้วก็ข้าวถวายแค่กระ บ, บว o เดียวพระขี่เดียวอันนี้ทวารของท่านแต่เอาไปของพรหมหมดเลยนี้บูชาพรหมออกไปข้างนอกลูกชายเนะี่ยให้กินแค่ถ้ว ย, ยวถามว่าพรหมอยู่หวไหมยุ่งแล้วเอาไปทํากับบ้านหลานอย่างเนี้ทำไมนางคนทำอย่างนี้ เราจะสวยแล้วเนี่ยหวหาเราจะแตกเจ็ดเสียงแล้วผู้มีบุญทั้งหลายมานั่งอยู่ที่บ้านเดียวเลยท่านผู้มีบุญเนี่ยใช่ไหมเออทำไมไปผู้จะพรมตอนหน้าท่านอย่างนั้นแล้วปล่อยท่านอดเราอยู่บากนั้นเนี่ยเราจะให้หนนางให้มาพรหมเนี่ยเราจะให้พร้อมบริโภคยังหรืองั้นนะไม่ได้แต่วายกายาคูเลย้ย แล้วก็เราจะให้มหาคมนี่บริโภคบรรจุข้าวปลาญาติเต็นถ่าทองเลยทีเดีวยวแต่ให้ลูกชายนะกระบวย y ทัพทีเดียวได้จำนวยไี้ทัพทีเดียวปรุงด้วยเนยใสเลยค้นน้ำมันน้ำผึ้นตาลกวนเป็นต้นที่หลังบ้านมีพื้นที่ประดับไปด้วยที่ทาสีเขียวสีขาไปด้วยเนะี่ะนางถือถาดทองนั้นก็ไปวางก้อนข้าวปลายาดตรงที่ถาสีมุมเนาะตรงกลางเหงก้อนถักถือก้อนอ มีเนยใสไหลไม่ถือขึ้นมานี่ยถือก้อนข้าวเนยไสเนี่ไหลมันติดข้อศอกไหลนองนอ้องจะคุกข่าบนพื้นเด่นเนี่ยกล่าวเชิญพรหมบริโภคขอท่าน ม, ามหาคมยุงบริโภคเถิดขอท่านมหาพมยงบริโภคให้อิ่มน้ำำานําสําราญเถิดปรเงาณเนี่ยอ้อนวอน บ, อนบน่นเพ้ออยู่นั่นแหละเหมือนคนไปบุกวงสงฆ์อะไรต่างๆก็บ่บอบนอะไรกันบุ่มเห็นไหม เสียงบุ่มบวมบุมบวมบุมบวม้างบลม่รู้พูอะไรรู้แคน้นบนใหญ่เคยไปไหเคยไปมเนี่นี่นี่ความคิดได้มีแก่ท้ามหาพรหมนะคิดกลิ่นสีของท่านพระพรหมเทวังกระโจดขึ้นไปท่านได้กลิ่นสีใช่ไหม ท่านได้กิ่งศีลเนี่ยกิ่งศีลของท่านเนี่ยท่วมเทวโลกพุ่งไปถึงพรมะมโลกสังเวสังเวสังเวยเชยามทำให้ท่านทําให้สลดใจพรมสลดใจบอกว่าได้แก่บอกว่าทำยให้นางได้สัญ น, นาไปดีกว่าเมื่อนางธรรมณีเนี่ยให้พระขี่นาศบเป็นผู้เป็นอัคราทคีนายบุคคลเห็นป่านี้นั่งแล้ว ไม่ได้ถวาอาหารไม่เ้เลียงข้าวยาคูกระปุยอย่คิดว่าเราจะให้มหาพรหมมีบริโภคก็พี่าจว่าเหมือนกับทิ้งตาช่างเสียแล้วในในมือช่างโดยกับทิ้งกองกองเสียแล้วในโคมทองนะั้นดุจได้ว่าทิ้งไปแล้วน่ได้ป่ายร่่นนนน้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่พ่่่ร่่่่่ย่่่่่่ิ่า่่่่่่่่ย่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ นะก็หมายถึงบอกว่ากระทาการโดยวิธีให้นางนั้นหว่างทรัพย์แปดสิบโกดลงในโพธศาสนาแล้วขึ้นสู่ทางสวรรค์ก็เป็นปัจจัยแกเรียมักให้ได้ทีนี้ทูเรอิโตเนี่ยแปลว่าไกลจากทีนี้จริงอยู่นะก้อนศิลาขนาดเท่าเรือนตกจากพรหมโลกวันหนึ่งคืนหนึ่งเนะี่ยระยะเวลาเดินทาง 8,000 8มื0 8,000 ยุดอย่านีน ใช้เวลาสี่เดือนถึงจะถึงมนุษย์เนี่ยนะตกถึงแผ่นดินแต่พรหมชั้นที่ต่ำกว่าเขาหมดจะอยู่ไกลอย่างเนี้ยการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมนั้นนะก็ลองคิดดูทีนางไม่รู้จริงๆว่าพรหมโลกกับมนุษย์ในห่างไกลอย่างนี้อยู่คนละดวงดาวเลยในตานองอย่างนี้นอยู่คนละภพละภูมิเลยท่านคํานวณนะนะสมมุติเราจะเอาก้อนหินอย่างใหญ่เนี่ยทิ้งลงมาเนี่ย บอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งมีระยะเดินทางแค่ 4,800 โยชนแค่นั้นเองสี่เดือนนะจีตบถึงพื้นดินทิ้งภูเขาลงมาลูกนึงเลยว่เอาภูเขาลูกใหญ่ๆเอาทิ้งโลกใบหนึ่งน่ะหยิบโลกใบหนึ่งแล้วก็โยนมาเพื่อให้มกระแทกโลกไว้เนี้ยใช้เวลาสี่เดือน แล้วคิดดูรู้จะทางไปของพรหมดีไหนนางนี่เรื่องใจนี้นะก็สรุปแล้วอย่าเที่ยวทําเครื่องอะไรไป น, นั่งอ้อนบอนอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็ออืกลิ่นของนางนี้ไม่ได้เป็นที่ปราศนาของพรหมเลยด้วยนี่นะโลกของพรหมที่นางบูชาเนี่ยจะก้อนข้าวอยู่ไกลาทางของพรหมเนี่ยคือพร ม, มประทังเนี่ยนะ ก็หมายกว่าเท้ามหาพรหมที่ว่าทางของพรหมได้แก่กุศลชานสใช่ไหมทางของพรหมเนี่ยปฐมชานตุเดียาชานตัดยาชานจตุตถชา น, นตัววิตกวิจารปีเตีเนยนนะเวทนาเอ ข, ข้าตาแล้วก็ทำที่สมยศนั่นนั่นคือทางของพรหมนี่คือมอรรคของพรหมวิบาสของพรหมก็คือรูปาวจารวิบาสนั่นก็คือคือวิบาส เป็นทางชีวิตของพรหมเหล่านั้นเธอไม่รู้ทางเหล่านี้เลยและจะมาบ่มเพ้ออยู่ทำไมนะเขาบอกเออมากรเซิบอยู่ทําไมออมาเพ้ออยู่ทํไาทไมครหมทั้งหลายย่อมจังอาจจะป้าไปเป็นไปด้วยฌานคือด้วยปีติหาได้เคีย้ยกินน้ํนานมใส่ข้าวสาลีเรือของเคี้ยวท่านอย่าลําบากเพราะสิ่งที่ไม่ใช่เหตุเลยว่าท่านมาทําอย่างนี้ลําบากทาไมท่านบอกว่า จงประคองอัญเชลีแล้วย่อตัวเข้าไปสิพระเถรละนี่นั่งอยู่ในบ้านท่นานนี่ยนางพระมณีก็บอกท่านพรหมเทวะของท่านเนี่ยเป็นต้นแล้วก็บรรทันก็บอกไว้เป็นผู้หมดอุปธินะหมดจะอุปธิมีอภิสังขารมีกามาคุณมีขันเป็นเจ้นเราเนี่ยนะถึงความเป็นอติเทพแล้วอติเทวะปะโตนั่นแหละถึงความเป็นเทพยิ่งกว่าเทพถึงความเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหม ไม่เลี้ยงดูผูอื่นอนันยาโปสีเนี่ยนะชื่อว่าไม่เลี้ยงดูผูอื่นเพราะไม่เลี้ยงอัตภาพของผู้อื่นหรือบุตรหรือภรรยานอกจากอัตภาพนี้พระทั้งหลายท่านไม่เลี้ยงอัตภาพอื่นท่านเลี้ยงอัตภาพนี้คือท่านไม่ต้องมีบุตรไงไม่ต้องมีภรรยาไม่มีต้องมีพ่อมีแม่ในการที่ต้องไปดูแลใช่ไหมท่านตัดกังวลได้ท่านเยอะแยะลองคิดดูสิดังนั้นเราไม่ต้องเลี้ยงดูใครแล้วชีวิตของพระที่เป็นชีวิตที่เปล่าเล่าไม่ง่ายเลื่อยเปลอยเนี้ยนะแต่ไม่ใช่เลื่อยเปยไม่รู้เรื่องนะ แปลว่าท่าน น, นไม่ยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของวัตถุการมวิทยาศาสตนี่หรืล่าในชีวิตของท่านเป็นยังไงเพราะไปเลี้ยงอาชีพผู้อื่นแล้วภรรยาต่างหรืออาชีพน้องนี้ท่านไมท่านไม่รับเลี้ยงเด็กท่านไม่ได้เปิดนอสเตรีเลี้ยงเด็กใช่ไหมไม่ใช่ไท่านไม่ทํากิจตัวนี้ท่านไม่เปิดบ้านพักคนชาราแล้วใช่ไหม พระท่านไม่ทํากิจเหล่านี้เพราะท่านเลี้ยงอาถภาพ์ตนเองเท่านั้นเหมือนท่านเห็นใจตัวมไหมไม่ใช่ท่านไม่ต้องการมีภาระท่านไม่ต้องมีเครื่องพูดท่านตัดเครื่องกังวลท่านบอกเดินออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนใช่ไหมแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วแล้วท่านจะต้องมาสร้างทําไมล่ะสร้างให้ปวดหัวทำไมใช่ไหมคนอื่นก็กระทำกันอยู่แล้วใช่ไหม ก็เป็นผู้สมควรจะปินต่าที่บุคคลนำมาบูชานะอางในยโยเนี่ยควรเพื่อจะรับปินต่าที่เขาบูชาปินต่าที่เขาต้อนรับถึงความถึงเวทแล้วก็หมายความว่าเป็นที่ถึง ท, งที่ถึงที่สุดทุกข์ด้วยเวทคือมรรคก็หมายความว่าได้อริยมรรคแล้วมีตนอบรมแล้วภวิตภวิตตัดโตอ่ะ อบรมตนนี้เจริญอบรมกายอบรมสีนะี่ตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาท่นแล้วเครื่องฉาบทาคือตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้วเที่ยวแสวงอาหารอยู่คาเซสนังอริยติเที่ยวแสวงหาอาหารนีอดีตนาคตไม่มีแกท่านพรหมเทวะตัจสัปัจฉาเจปุรัตถะมัทีเนี่ยนะภายหลังเรียกว่าอดีตภายหน้าเรียกว่านาคตเออบัลีเป็นยี้เนี่ยนะ ท่านกล่าวว่าภายหลังหรือภายหน้าย่อมไม่มีแก่พวกนนีะ้ฉันตราธาไม่มีขันนะในอดีตก็ไม่มีขันในอนาคตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านยึ่งพูดสงบนะไงเห็นไหมว่าขันในอดีตในแต่ก่อนเคยมีอยู่ต่อมาท่านชำระเสร็จเลยกลับไปมองอีกก็ออไม่มีเลยเนหะ็นไหมพอท่านทำไปกลับไปยอดนับบริญยาหมดเลยนะอุลาสั่จริงนะพิจารณาไม่ใช่ร้ายไปทั้งโลกนะ คือปคไปทำโดยใครควรพิจารณาละได้ดีอย่างเราเนี่ยคิดถึงอดีตลงคิดดูที่ตัณหาผูกพันอีกเยอะคิดถึงอนาคตตัณหาก็เพื่อหาตัณหาอนาคตริทีโอโคิดมันคิดด้วยตัณหามา น, าา น, านาคตริทีทั้งอดีตอนาคตในปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงตกหมดเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมคิดอดีตเนียคิดไปก็ตัณหาอนาคตริีแต่แต่คนที่ก็เจริญวัฒนาเขาคิดถึงอดีตได้ไหมได้อานาคตก็ได้ไหมแต่ก็ไม่ได้คิดด้วยตัณหาอนาคตริทีเอาสิ ถ้าคิดปัจจุบันเดยนามานะทิฏฐิก็ผิดีสรุปแล้วผิดหมดเลยนะเรานี่มันผิดตรงเนี้ยท่านบอกให้อ่าสมมติเราจะสอนว่าให้ปฏิบัติปัจจุบันปัจจุบันท่านพูดที่คุณคิดปัจจุบันโดยนามมานะทิฏฐิคุณก็ผิดทีตอนจ้องอย่างเงี้ยดูอารมณ์เองเข้าใจต้องคอยจ้องคอยจดคอยจอเนี่ยนี่ก็ผิดทีเลยเพราะสนามมานะทิฏฐิไปคอยจ้องคอยจดคอยจอยคอยกําหนดผิดไหมล่ะงั้นอดีตนาฬิกาปัจจุบันก็ผิดถ้าคิดเดยนามานะทิฏฐิ มันอยู่ตรงไหนสิกขาสามไม่เดินในกระแสของขันธ์ใดยะธนนะต่อไอคิดอดีตนาคตคิดบัญญัติเนียผิดเลคิดประมาสก็ผิดปัญหามอยู่ตรงที่ว่าเราจะทํายังไงสิกขาสามเดินในกระแสะขันธ์ใดยะธนนะให้ได้ใช่ไหมให้สติสัมปชัญญะเดินให้ได้จะไปคิดตรงไหนก็ได้เพราะสติสัมปชัญญะมันเดินไงใช่ไหม สำคัญมันไม่ใช่สติสมปูชัญญาเดินเพราะว่าอารามนับปัะจัยของสติสมบูชัญญามีเยอะนี่บัญอยากกระแดกระมากระแดเดียดกระแดนาคตกระแดปัจจุบันก็ได้และอารามนับประจัยของตันหามนาธิถีได้ปัจจุบันอาดียนาคตเหมือนกันและการลืมมืดเหมือนกันเอาสิเห็นไหมถ้าไม่เข้าใจในการที่จะทํำศีขาสามก็ดีทําศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยให้เกิดขึ้นในกระแสของขันธะละเอียดยังไงคุณก็ปฏิบัติไม่ถูกตอนให้ไปนั่งจองปัจจุบันเอาที่จองไป จริงไม่จริงอาทิตย์ไปจ้องอาทิตยปัจจุบันเนียกําหนดให้ปัจจุบันจ๋าเลยคุณก็ไงท้องกลับมาคุณมานั่งเช็ดน้าตาอีกลายร้อยท่านี่คือจยิงเลือดก็ไหลาจากลำคอคุณไม่รู้กี่อัตภาพในนายคุณถูกตัดแล้วตา ด, ดีเอาเมื่อยอมมาก็เห็นก็เห็นจ้องในปัจจุบันจังใช่ไห ม, ไ ม, มาไปอุปมาเบียบหยาบๆที่สัมือปกรถามวิศว์ตรงปัจจุบันที่ท่าน ทำมาถาว่านักมวยชกันต้งปัจจุบันนีนัมวยาจะโชกกันน่จะเผลอวแกบบเดี๋ยวมันล่วงเลยเนะ่ดชิชกไปทาง่วมเลยเนะี่ยมันไม่ได้เนยะคอจ้องแล้วอกําหนด อ, อยู่นะั้นแหละคอกหนดชมกนหนดาเอาที่ถ้าสายตาไม่เร็วนี่นะ้าไปเลาะนึกถึงว่าต้องโดปัจจุบันขนาดเลยอนะ่ะมันมาเดีวนั้นเลยแหละถ้าหลบไม่ทนันนี้ยุ่งเลยนะนั่นแหละถามว่าเป็นปัญญาไหมเนะี่ย นั่นปัจจุบันมันก็ต้องดูว่ามันดีมันไม่ตั้งสติสัมปชัญญะถ้าคนมีสติสัมปชัญญะอยู่จะชกกันเงื่นเต็มเข้าใจไที่ปัญหาคือว่านี้ทําการพูดให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งตรงนั้นในคำสอนเนี่ยท่านตั้งท่านตั้งเอาสิกขาสามท่านตั้งเอาสติสัมปชัญญะและความเพียรเป็นประการที่สำคัญ ทีนี้ถ้าหากไม่สามารถที่จะรู้จักว่าจะเจริญสติสัมปชัญญะและปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสะของขันธาระยะทันใอย่างไรถามว่าระหว่างวิธีการที่จะทําให้ศีลสมาธิปัญญาหรือทําให้สติสัมปชัญญะและความเพียรเกิดขึ้นในกระแสะของความคิดเนี่ย ก, การมาศึกษาเรื่องปัจจุบันในไรมีสำคักว่าอะไรเป็นเรื่องเล่งด่วนะใช่ไหย การให้สิกขาสามเดินได้จริงในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่นดวนแต่เรื่องอารมณ์ปัจจุบันนั้เรื่องรองเพราะเราก็รักกันอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็เข้าใจอยู่แล้วปัจจุบันนะทำปัจจุบันอะไรว่ากันไปเนี่ยนะตรงเนี้ยนี่ถ้าเดินไม่เป็นเนีไปต่อยรับนะต้องไปดูในพระเตี้ยกระตุ้นคำว่าไม่งอนแงนงไม่กรนแนคนมําว่างอนแง่งกรนแคนเนี่ยแม้จะตันหามันะที่ทีเกิดในอดีตอนาคตปัจจุบันก็ชื่อว่างอนแง่งด้วยกอนแขนด้วย ถ้ไม่งอนเงันไม่ค้อนแคนก็คือตัณหามาะทิฏฐิไม่เกิดทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันที่ชื่อว่าไม่งอนเงันไม่ค้อนแคนจะเป็นผู้สงบแล้วเที่ยวไปพี่ผู้มีราตีหนึ่งเจริญเนี่ยก็ อ, อยู่ได้วันเดียวคืนเดียวก็เจริญเนี่ยบุคคลประเภทนี้ยไม่เจริญได้ยังไงล่ะเพราะใจของเขาไม่มีตัณหามาะทิฏฐิใช่ไหมไม่ปล่อยกิเลสชยกลิ่นพุ่งอะไรไหใช่ไหมเจริญนี่เป็นยังไงอดีตอนาคตไม่มีแค่ท่านพระโหมาเทวะ นตตสาปปัจฉานะปุรัตถมัติภายหลังเรียกว่าอดีตภายหน้าเรียกว่าอนาคตปัจฉานี่อดีตปุรัตานี่นะทีนี้ภายหลังภายหน้าย่อมไม่มีแกผู้เว้นจากฉันทราคะในขันอดีตและก็ขันในอนาคตคือท่านไม่มีตัณหาไม่มีฉันทราคะแล้ว ฉันตราฆาตในกรณีที่กรณ์อรยวรขันในีดีเพื่อหาขันในนาโคจะไม่มีเลยแล้วท่านทําให้ทะลุทะลวงในปัจจุบันเบ็เสร็จแล้วนี่นะปราศจากควันปราศจากควันคือความโกรธเป็นต้นนะไม่มีทุกข์แล้วเป็นอนีฆาตแล้วไม่มีชาติทุกข์แม้ถือไม้ท้าเป็นต้นเที่ยวไปก็ชื่อว่าวางไม้แล้วเพราะไม่มีเจตนายาฆ่าอะรอีกแล้วถือมีดแล้ ถ้าวางศัตราก็เ อ, อ้พ่อนถือมีดเนี่ยสมมติจะถือท่านจะถือเอ้ท่านวางศัตรากนะ็เพราะท่านไม่มีเจตนาจะฆ่าใครถือปืนสมมตินะสมมติพอท่านจะแบกไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้วางศัตราก็าท่านไม่มีเจตนาฆ่าวัฏจัากรเจตนาอย่างนี้แล้วใช่ไหมท่านจิตในการคิดจะฆ่าไม่มีแล้วเพราะว่าแต่ก่อนนานมาก็ศึกษาเรื่องการฆ่าเนะี่พูดได้เป็นนดทันที อท่ามันเป็นบาปยังไงแล้วยเมค่าขันมันก็แตกดับอยู่แล้วระวังอาจามาเนี่ยสงสัยจะมีเชี่ยวงารคิดเลยมามคิดจับเลยเห็น <c oughs> ไหมเออือมันก็คือขันท่าทะเยอท ะ, ะนาถ้าเราขันท่าทะเยอทะนาะมันก็แตกดับตลอดเห็นไหมก็ฆ่าไปค่าถูกได้ไง เออมื่อเวลาเช่นไงเออจะไปฆ่าถูกได้ไงแต่ดับมากเร็วด้วยเอาเอาสตราปืนไปยิงแลไม่ถูกไม่ถูกชีวิตแต่จินซีด้วยไม่ถูกชีวิตตะรูปด้วยทีย่ถูกได้ไงเขาแต่ดับเร็วมากมาแล้วนึกเนี่ยนะเออไอ้ฆ่าอย่างไงเนี่ยตรัคิดจะฆ่าอย่างไงเนะโอ้ผมไปศึก ษ, ษาแล้วเข้าใจแล้วคือกระแสของฐันธาตุเยต น, น่ามันสื่อต่อ ถ้ามันจะสืบต่อกันห้าวันเนี่ยเราไปตัดช่วงไม่ใันต่อกันได้นั่นก็เรียกว่าเขาจะบอกพ่อไปทําให้กระแสของนามเป็นรูปที่เป็นรูปแบบชีวิตแต่นามเป็ชีวิตมันสืบต่อกันไปถึงห้าวันตามตามของเขาเพราะจริงๆเขาแต่กตัดตลอดเวลานี่เป็นอนุขขนาดแต่ตามระำบ่งบอกเขาเขาจะแตกตัดอยู่ห้าวันเดี๋ยวเราไปพอเขาได้สองวันแล้วก็ไปทําให้ขันนั้นแยกออกจากกันเนี่ยทำให้มันสืบต่อกันไม่ได้ก็เรียกว่าเจตนาแห่งการฆ่าที่ไปทํากระแสขันของผู้มีคุณกั โอ้โห่บาปมากเลยนะเป็นแบบนี้นันคำว่าฆ่ามันทั้งนี้อีกเนี่ยมีประมาทเป็นลามณ์ว่ามีความขาดลมของโลกในชีวิตอาณาใชีวิตอยี่ยเป็นอารมณ์มานปะปัจจัยบอกอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้นี่เองเออไปทำมันเชื่อมต่อกันไม่ได้ไปทําให้ภพชาติมันห้วนดับเร็ไม่น่าจะบาปอะไรใม่ปกติก็ตายอยู่แล้วให้เขาตายก่อนกําหนดให้ขันของเขาขาดก่อนกําหนดแล้วเชื่อมต่อกันไม่ได้ไงีย เพราะกรรมของเขาจะทําให้เขาอยู่ตั้งหาหกปีเงี้ยแต่เราไปทําให้เขาเกิดแค่สองปีแล้วเราเล่นกอดงานก็ก่อดนี้แต่มาวันสองวันแล้วก็เล่นกันนี่เขาเรียกว่าฆ่ามีวิกธกนาะจีทะนาเจตนาการฆ่ า, าเป็นบาราธิบาตโดยแท้นี่เป็นบาราดิบาตดังั้นสัตว์ทุกประเภทตั้งหลายถ้าเราไปไปทำชีวิตของเขาให้ตกร่วงลงไปอย่างเร็วพันเนี่ยเร็วพันก็แปลว่าเขายังไม่ถึงเวลาเขาเราไปทําให้เขามันร่วมเร็วพันเดี๋ยวนั้นทาชีวิตสัตว์ของเขาให้ตกร่วงมีรูปแบบชีวิตนามีชีวิตนั่นแหละ ให้ขาดไปเขาเรียกว่าฆ่าสีมันขาดเข้าใจนะนี่เป็นอย่างนี้เองโอ้เป็นอย่างนี้เองเข้าใจเข้าใจไหมนะนะเขาอาจจะมาเข้าใจเป็นเกียร์จะ <c ười> มาเพราะความเข้าใจคนหนึ่งสามารถไปถึงอีกคนหนึ่งได้ให้มาคิดอย่างนี้พุทธชนนั้ น, ย, นนะยังความหวาดหวันเนาะพยายามเอาความหวาดหวันในวัฏฏินาสตผู้มีความมั่นคง ปสาถาเรวเรสนบุรุชนทั้งหลายชื่อว่าผู้สะดุ้งพระคีนาสดชื่อว่าผู้มัน่นคงเจ็ดจำพวกโสโดาบันสกาธาคารานาคาปัญหารเรียกว่าผู้ถ้าเรียกเรียกยังไงเดียไม่อาจจะเรียกผู้สะดุ้งถ้าเหล่านั้นไม่ใช่ผู้มั่นคงด้วยแต่เพราะจะแบ่งพวกคือเป็นพวกที่มั่นคงท่นพรหมเทวะถือว่าเป็นผู้ที่มั่นคงฉะนั้นการบูชาท่านเนี่ยการบูชา ชายท่านผู้เป็นผู้ที่กีรติสมานแล้วก็กองทัพมารต่างนั้นไม่สามารถจะทําให้ท่านหวั่นไหวได้แล้วท่านปราศจากคันหาคือราคะโทสะเป็นผู้มีศีล น, นะเป็นไม่ใช่ศีลธรรมดาเป็นศีลของพระกีนาศศมีสมาธิปัญญามีมุติยันทัศน์ของพระกีนารศของพระท่านข่าโมฆาได้แล้วการโมฆ า, าโาพฆ า, าทิโถโอฆาแล้วก็อวิโชคะท่านอยู่จบพรหมจรรย์แล้วใช่ไหมฉะนั้นควรจะสรรเสริญคุณของพระเถระ เพราะนางปรามณีเนี่ยในที่สุดจริงๆนางปรามณีก็ประกอบไปด้วยสมาธิถีนะประกอบด้วยสมาธิฐีตั้งทักษินาปฏิปฏิถะเปรตทักขีนันตั้งทักษินาได้ปัจจัยสี่อ น, นํามจุขมาให้มีความสุขในนาคพมีความสุขเป็นผลในนาคพจน์แล้วนำจุขมาให้เนี่ยนางฟังแล้วก็เกิดสมาธิถีดี่เป็นอย่างนี้ ก่อนีพิจรารณาตรงนี้ก็จะเห็นน้องว่าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็ตรงนี้ก็คือว่าต้องการจะชี้ให้ดูว่าพอพูดเรื่องพมพอพูดเรื่องพมเนี่ย ก็ทำให้เชื่อมโยงไปถึงสูตรเอาเอาให้จบอีกสักองได้ไหมที่จริงวัตถุประสงค์ที่ต้องการพูดเรื่องนี้ก็เพราะหนึ่งจะได้รู้ว่าพระเจ้าตรรู้ระ่งแสดงธรรมใช่ไหมแม้นเทวดามารตรงเกี่ยวข้องกันอย่างไ้แล้วก็อีกกรณีต่างๆเหงแบบนี้พอพระเจ้าไปโปรดพระกาคมตรงนี้ที่เราเคยสวด คืพระยาปาทัพพิเชตาวันนั่นแหละอารามของท่านอนาณาถาปีนิกาเศรษฐีกรุงสาวธีสมัยนั้นนะ่ะพระกาพมมีมิจฉาทิจิปวกฐ า, น, า น, น, ยย น, น, น, นะอาานาของพรมในเที่ยงยั่งยืนท่านเที่ยงท่านนี้นะบอกว่าฐานะของพรมเนี่ยเที่ยงแล้วก็ยั่งยืนติดต่อกันคงที่มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติ ก็เลยอุบาเป็นเครื่องออกไปอยิ่งกว่าฐานะของพรหมนั้นไม่มีเขาบอกพรหมเนี่ยสูงสุดแล้วฐานะที่จะยิ่งกว่าพรหมนั้นไม่มีแล้วเพราะพรหมนี่เที่ยงแท้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนะาะครั้งนั้นพระผู้มีพระเจ้าทราบความคิดของปะกาพมเมื่อทราบเด็ดเสร็จแล้วพระองค์ก็หายจากเชตวันเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพระเจ้าไม่เอามาเล่าพระอนุนฟังเนี่ยนี่ใครรู้เลยพระเจ้าไปแสดงบทต ในบางทีพระองค์ก็ไปจากวันอื่นเนี่ยที่ไม่ที่ไปจากวานอื่นไปเยที่เห็นว่าไม่ประโยอดนี่นะอีกมากมายแล้วที่พระพระ้านนนเนี่ยไม่เอาสแสดงไม่เอามาสแสดงไว้กันเยอะเพราะว่าสแสดงหลายตัวอย่างแล้วเข้าใจแล้วถ้ามาสแสดงเราจะซ้ำซ้ำซ้ำกันเนียแต่รายละเอียดตรงนี้พวกเราไม่ได้เก็บไว้ทีนี้ครั้งนั้นแหละพะพุทธเจ้าก็หาย หายไปอย่าเชตวันเนี่ยนะไปปรากฏบรพรมมาโลกก็เหมือนบุรุษผู้มีกําลังันึ่งที่จะก่าวคู่แขนเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกพระพรหมเห็นพระบรมศาสดาเสด็จมาแต่กลทีเดียวคั้แล้วก็ได้กราบทูลกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์พูดเนรทุกขอพระบอกว่าพระองค์เสด็จมาเถิดข้าพระองค์เนี่ยข้าแต่พระองค์พูดเนรทุกพระองค์เสด็จมาก็ดีแล้วข้าแต่พระองค์พูดเนรทุกขนานทีเดียวเนี่ยที่พระองค์ ได้กระทําปริยายมีเวลาเพื่อการเสด็จมานะพรหมโลกบกนานแล้วไม่เดิฐานะของพรหมในเที่ยงประกาศต่อหน้าวิทยานี้บอกฐานะของพรหมในเทีย่ยงยั่งยืนติดต่อกันคงที่มีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุดติไม่อุบัติก็อุบายเป็นเครื่องออกอันยิ่งใหญ่จากฐานะของพรหมนี้ไม่มีประกาศที่ที เมื่อประกาพมกล่าวแสดงมิฉาทิฏฐิ ต, ตนเองอย่างนั้นแล้วพระบรมศาสดาก็ตรัส ก, กับประกาพม์พวผู้เจริญทั้งหลายพกาพมเนี่ยโง่เขามากผู้เจ้าใช้ศัพท์แรงเนี่ยโง่โง่มากบอกว่าผู้เจริญทั้งหลายประกาพม์เนี่าานนาานนถึงความโง่เขาาแล้วเนาะพกาพมกล่าวฐานะแห่งพม์ที่ว่าเป็นของดีเที่ยง เลยเวลาเที่ยงบอกนบอกว่าของไม่เที่ยงเลยนะเพบอกว่าเที่ยงกล่าวฐานะพรหมว่าไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวฐานะพรหมว่าเป็นของไม่ติดต่อกันเลยว่าติดต่อกันกล่าวฐานะของพรมว่าเป็นผู้ไม่คงที่ว่าคงที่กล่าวฐานะพรหมที่เป็นของเคลื่อนไหวเป็นธรรมดาทีเดียวว่ามีความไม่เคลื่อนไหวเป็นธรรมดาเพื่กล่าวฐานะของพรมว่าที่เกิดแก่เจ็บตายที่จุติอุบัติแห่งตนว่าฐานะแห่งพรมนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติ และย่อมกล่าวอุบายเป็นเครื่องนำออกไปยิ่งกว่านี้อีกไม่มีหูใครจะโง่เรา้มไม่มีเลยนี่กล่าวว่างี้เลยเนะียโหพรมม้มจริงเลยแต่นี้พร้อมก็เถียงเลยแบอกว่าข้าแต่พระโพธิมพวค้าพระองค์เนี่ยเจ็ดสิบสองคนเนี่ยบังเกิดในพรหมโลกนี้เพราะบุญกันก็ยังอาจให้เป็นไปอันร่วงชาติชราได้แล้วการอุบัติขึ้นในพรหมโลก ซึ่งถึงคังมใจเพศนี้เป็นที่สุดแล้วชนมีใช่น้อยย่อมปรารถนาเป็นดังพวกเขาชยอะใช่ไห ม, ไหมเขาบอกว่า ท, ที่จริงๆพอกล่าลอย่างเงี้ยพรหมละลึกได้นั่นเนี่ยพระเจ้าที่จริงในรายละเอียดท่านกล่าวดีที่สุดที่พรหมเนี่ยนีไปกล่าวรายละเอียดพระกาพรมสําคัญว่าายุได้ย่ำยืนอายุนั้นเนี่ยพระเจ้าตัดว่าพระกาพรมอยู่เป็นสำคัญวายุนั้นยั่งยืน อายุนั้นไม่ดีเหลยืยผมรู้อายุหนึ่งแสนนี่รับนี่รับพุทธะของท่านได้ดีเนี่ยนีรับพุทธะเดี๋ยวจะไปขยายกันคือผมก็บอกคือถามว่าอายุท่านเหลืออยู่เท่าไหร่ท่านไม่รู้เป็นมาแล้วเท่าไหร่ท่านก็ไม่รู้นานจัดไงีนานจนลืมหลังอ่ะไอเชืเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเด็รรกญาตบัญญาก็ไม่รู้แต่เราจะรู้เดนกเราเนี่ยนะ เนี่ยพระเจ้าบอกว่าท่านเนจะอยู่อีกเวลาเท่าไหร่นักให้ดูเลยท่านเลยรายละเอียดเนี่ยแต่ท่านไม่ได้มากล่ารววายละเอียดก็ว่าท่านนักไปดูเลยท่านเกิดมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วจเจริญกี่วันกี่เดือนกี่ปีท่านทำกรรมอะไรจึงมาเกิดเป็นพรหมแล้วทาอะไรบ้างไล่ปตามลำดับเ ง, งี้ยนะไล่ฟังเลยเป็นฉากเลยว่า ง, งั้นเถอะแต่ในรายละเอียดท่านก็ยอ่ย อ, ย อ, ย อ, ย อ, ยอๆๆๆเข้าไวาเนี่ยนะเวลาอ่านสูตรเนี่ยเราขยายไม่ได้ใช่ไหมท่านไล่ความละเอียดไปียดเสียใจมาอยู่อย่างนี้ได้ไงเนี่ย ไปทํากรรมอะไรมาจเจริญชานอะไรช่วยเหลือใครมาบ้างเคยเป็นฤาษีกี่ชาติท่านกําหนดสถานะตัวเองไม่ได้จะสถาค้นรู้อะแล้วท่านลืมหลังแล้วเนี่ยคิดไม่ออกโง่ก็วันยาวบอก็ประกาพมหม่ีกโง่คิดไม่ออกก็คนโง่คือคิดไม่ออกใช่ไหมโมหาปิดไงท่านบอกท่านอะโมหาปิดก็คือท่านโง่เลยแหละแต่สถาค้นไม่มีโมหะสถาค้มองทะลุทะลวงด้วยสัพพัญญุตญาณน า, น า, นาวุตญาณไม่มีอะไรกีดขวางแค่มองก็ว่าิใครละ มองละเอียดยิบสถานะท่านเนี่ยเป็นแก่ไหนอย่างไรมาจากอะไรรู้หมดเนี่ยนะโอ้โหไปเจอคนแบบนี้ก็้าใช่ไหมไอ้ที่ถิ่ทีท่ท แ, แรงๆกันหมดหมดสิเนี่ยพระกาพอมเนี่ยข้าแต่พระผู้มีพระป้าเจ้า ว, วังนั้นพระองค์ตัดว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีปกติเห็นไม่มีที่สิ้นสุดร่วงชาติชาราและความโศกได้แล้วเนี่ยอะไรนะเป็นวัดเก่าทางข้าพระองค์หนอวังนั้น พ่าอะไรเป็นเป็นวัดเกา่าอะไรทําให้ตเนเองก็ถามพทะเจ้าวนุษย์พระเจ้าก็ท่านที่ยังเป็นมนุษย์อ่างนีงง้อัธภาพท่านก็บอกว่าข้อที่ท่านยังเป็นมนุษย์แต่เป็นอันมากผู้ยำกระหายน้ําอันแดดเผาแล้วในฤดูร้อนได้ให้น้ําดื่มกินเป็นเสนวัดเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุจหลับแล้วตื่นใช่ท่านรู้ไหมง่ายมากจะาจะระลึกระดีตเก่าของท่านอย่างนี้เรื่องง่ายมาก ข้อที่ท่า น, นช่วยปลดเปื้องประชาชนเนี่ยที่ถูกโจรจับพาไปอยู่ที่ฝั่งแม่น้ํำพงคาเป็นสิญวัดอันเก่าของท่านด้วยเรายังระลึกได้เลยเหมือนคนหลับแล้วตื่นแล้วจำได้อะ <c oughs> แล้วข้อที่ท่าน น, นะขมขีดด้วยกําลังนะแล้วช่วยปลดเปื้อง เ, อเรือที่ถูกนาคผู้ร้ายผู้ร้ายกาดจับไว้ในกระแสแม่น้ํำพงคาและความเป็นดูหมูมนุษย์ข้อนั้นก็เป็นสีญเป็นวัดเก่าของท่านเราก็ระลึกได้ เรายังเป็นอันเทวาสิกของท่านนะนอะเราได้เป็นอันเทวาสิก ข, ของท่านนามว่ากับป่ามานุเราก็ได้เข้าใจท่านแล้วมีความรู้ชอบเนี่ยมีวัดข้อนั้นเป็นศีลนวัตเก่าของท่านเรายังระลึกได้อยู่กระจุดหลับตาตื่นขึ้นเช่นนั้นลายฝังตาล่มดับเลคือว่าพระองค์ทรงทราบปรยุ น, นั้นของท้าพระองค์แน่แท้แม้สิ่งอื่นพระองค์ก็ทรงทราบ เพราะองค์เป็นพระพุทธเจ้า น, นี่เองก็ว่าไว้ทับนรงนี้นะทีนี้ดูท่านขยายทิศทีที่ชั่วเขาเรียกปาปะกัรทิศทีขัดตังไปกับสัจจะทิศทีที่ต่ำซ้ำนี่นแหละเห็นมาเที่ยงนะแบบเนี้ยพวกเห็นมาเที่ยงทางหน้า ย, ยัางพรหมมาเที่ยงอีกทางนิจั์เนี่ยพวกนับถือพระเจ้านับถือพรหมนี่ยถือว่าพรหมเที่ยงเลยไม่ใช่พรหมถือว่าตัวเองเที่ยงอย่างเดียวนี่คู่บูชาก็ถือว่าพรหมเที่ยง ตุารเนี่ยเะลก็ทุเทียงมาพระเจ้าไปกำจัดแล้วแต่ลูกน้องเยอะกำจัดไม่ทันแต่ว่าเจ้าตัวจริงเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิไว้แล้วแต่ลูกน้องดิสิไม่รู้จะตอบไงใช่ไหมที่เราบูชากันเพราะพรอมนี่เยวันเนึ่ย <c oughs> ยังโอควานกลบเงี้ย <c oughs> เห็นทีไยังเข้าใจเข้าใจหรื อ, อยังว่าสัตว์เป็นบุงมากไปได้มโหฬารจริ ง, งน่ากลัวไหมล่ะแล้วเราไปบูชาไปกี่รอบแล้วในสังสารวัตรน่ากลัวไหมเห็นที่ไรก็ยัง อ, อ, อยากบูชาดีใจอดีตเก่ายัง ม, มีอยู่ใช่ไหมเฟินไหมล้วอย่ากได้ยกมือว่า้เลยนะเจ้ามึงเจ้จริงว่านี่ไป น, นี้นี่ พระพรหมกล่าวฐานะเห็งความพรหมในโอกาสนี้ว่าเที่ยงเป็นต้นแล้วยืนทุวางเป็นต้นเนี่ยเป็นไวโพธิกรรมวันนี้จางกันเดียวกันนะนะทุวางได้แก่มั่นคงเนี่ยติดต่อกันน่ยสันสันสตังเนี่ยติดต่อกันอยู่จะ่คงที่เกีพลังเนี่ยได้แก่แม่ขาสายทั้งสิ้นมีความไม่เคลื่อนไหวเป็นธรรมดาไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายฐานะของพรหมเนี่ยอุบายเป็นเครื่องออกไปยิ่งกว่าฐานะของพรหมเนี่ย ไม่มีพรอมเหมียนอย่างนี้นะพรมนั้นเป็นสัตว์สัตว์ที่อย่างแรงเนลยก็แล้วแต่กาพรมเนี่ยมีทิถีอย่างเนี้นะั้นอ่ะย่อมปฏิเสธคุณวิเศษทุกอย่างนะปฏิเสธลาปฏิเสธ ช, ชานชานเนี่ยชั้นสูงอะ่ะแล้วก็ปฏิเสธอะไรไงมัดสี่ผลสี่นิพานหนึ่งเกิดขึ้นแกพรมเมื่อไหร่อ่ะทิถีเหล่านี้ยก็บอกว่าเมื่อครั้งเขาเกิดในปฐมฌานภูมิแล้วก็เกิดในสติฌ า, านภูมิเป็นต้น เขบอกอนุปปปิกคาถาในลำดับก็คือพรหมนิวบาดมาพายหลังเมื่อยังมีพระที่ยังไม่มีพระเจ้าบาดเกิดขึ้นท่านเป็นฤาษีท่านกระทำสมาบัติที่วระเจ้ า, ากล่าวเนี่ยคือท่านเป็นฤาษีได้สมาบาัติไงไม่เสื่อมจากฌานตายแล้วจากนั้นแล้วมาเกิดในพรหมโลกในเวหาภาราเกิดในเจตุตจานภูมิเลยมีอายุตั้ง500หา้า้อยมหากรท้องคิดดูดิดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นเวหาภาราตลอดอายุไข ช่วงระยะที่เกิดภายหลังจากตัิยาชานภูมิปานิษฐบังเกิดในพรมโลกชั้นสุปกินหายหกสิบสี่กับดำลงอยู่ในพรมชั้นสุปกินหาภายหลังเจริญทุติยชาญเนี่ยไปเกิดอีอายุแปดกับดำลงอยู่ในงั้นภายหลังตัปปัทโทมะชาดอีกหนึ่งกับนั้นภะกดับพรมเนี่ยรู้กรรมที่ตนกระทําสถานะที่ตนเกิดในปฐทโทมะชาดเท่านั้นคือเกิดทั้งแรกเนี่ยเมื่อการล่วงไปแล้วก็ลืม ลืมสถานะที่สองที่สามยิงเป็นสัตว์สัตว์ที่ที้งเลยเขาให่ยังเ ล, ลือดไม่ตลอดเขาเรียกว่าอาวิชาคาโตะอวิชาคาโตะแบบเข้าถึงอ่ะคาตาจะแปลว่าเข้าถึงอวิชาเข้าถึงความโง่ลุชาคาโตะเนี่ยพมิเนี่ยเข้าถึงความโง่เข่าแล้วเข้าถึงความโง่เข่าแล้วด้วยว่าอาวิชาเนี่ยด้วยประกอบด้วยความไม่รู้ไม่มียานหน้าไม่มีปัญญาเป็นเหมือนคนตาบอดน่ะ มิคนตาบอดยัตราหีนามาก็จะแกโยนามะกล่าวะว่าวคติเขาแปลว่าย่อมกล่าวก็คือประกอบที่ยศัตท์นิบาตยัตราวคติแล้วก็กลายเป็นอนาคตการก็าแปลว่าจะกล่าวเลยจะกล่าวเ <ๆ S 1> <ๆ>มื่อกล่าวอย่างที้บอกคลุมถูกพระผูเมียพระเจ้าคุกคามให้ได้สติพระเจ้าไล่าถามปุ๊คนละนี่นะถ้าเป็นน่าเบื่อต้องไล่าถามไปเรื่อยๆดิถ้าบอกกําหนิดด้วยกลอกด้วยไนงะ ถามถามพระเอกถามเลยที่เขคุกคามนะอย่างนั้นนะที่จริงนั้นท่านใช้ปัญญาคุกคามเพื่อให้เกิดสติสติเขาจะได้เกิดนะพอสติเกิดจะได้เป็นปัญญาเป็นปัญญาเกิดจะได้เป็นปัญญากับความเ ย, าาาาย็นจัดคาอะไรพวกนี้ท่านพุทธเจ้าท่านมีอบายเด็กถ้าเราไปถ้าจะมาไปคุกไปใช้ถามใครมากๆเขาปวดเลในเะด็กปวดถ ม, ถมที่จริงเราเว็บประตูสงถามไปเขาเกิดปัญญา ไอ้มาเคยถามบางคนเนี่ยถามต่างๆไปก็น่าเด็กน้าเด็กโกรธต่อแค่จริงเรารู้จบบไม่ เ, เขาไม่เข้าใจใช่ไมไม่เข้าใจใเราจะถามาาไรยังไง่ยวข้างหนึ่งเขาไปนั่งฟังไปนั่งเรียนแต่เขารู้ว่าท่านผู้นี้เข้าใจเตือนให้เราจะถามอยงนี้มองรอบๆดูท่านผู้นี้มีคนสรัทา ม, มากใช่ไหมเขามีสรัท า, ม, ม, า, า, ม, า, ม, า ม, มากเราแกล้งถามถามถามอ้มาจะมีวิธีการตอบนะ ถามไปตรงนี ilee, ้ยังไงตรงนี้ยังไงตรงนี Now, ้ยังท่านมีถามไปทั่วเลยเนี่ยมันก็เริมเริมเริ่มล็อกริ่มลเริ่มล้อมไปก่อนพอล้อมไปประมามาปิดประตูไว้ก่อนปิดประตูข้างๆออกเข้าไปที่หนึ่งสองสามล้วเรารู้ว่าเขจะเดินมาเราก็เลยล้อมเข้าไปล้อมลอมล้อมเข้าไปเนาะเขาก็ระเบิดนั่นเลนี่เขาต้องอย่าเขาจะปัญหาล้อมคอกเคยทำไหมไมปัญหาล้อมถ้าเรารู้ว่าเขาไม่เข้าใจทำให้เขาเข้าใจได้ คือล้อมล้อมเข้าไปอยากให้เขาจดหนีล้อมมาเข้ากันอยู่ในเข้าในเข้าเขาไม่ยอมรับมันนั้นเดี๋ยวเขาจะไปยอมรับอีกแล้วในเข้าเดี๋ยวเจอหน้าอีกขอบคุณขอบคุณถ้าไม่บอกตรงตรงเลยถ้าบอกตรงตงผมอายลุกศิษหน้าดูงี่เนี่ัก็ไดา้องคอคือเราล้อมไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวท่านไคิดเองเขาดีเป็นยางเพราะยังถ้าคนมียัก็ถามอยี๋ไปเจี๋ยทนให้ท่านจดแต่ล้อมเข้าไว้อยาให้ทออกดย ยังไงไม่คิดเลยถ้านี่จะออกมุมไหนออกมุมนั้นก็ติดออกมุมนี้ก็ติดออกมุมนี้ก็ติดยังไงก็เจอหน้าแล้วก็คุือถ้าไปบอกท่านอีกนี้ท่านมีข้าใจมีใจมีปรยชงเลยถ้ากระโดดออกมุมหนึ่งเลยพเลยพราะเราไม่ปิดไม่ปิดมุมไว้ข้าใจไม่วไเวลนถามเป็นไงถ้าเจออาจจมาเป็นตอกก่าวอะไรปิดไปล้อมคองหน่อยนึง ไม่ต้องเลยอาจารย์บอกตองๆได้เลยพูดแนะต่เนี้ยอามาจะบอกกิ่บอกหนึ่งถ้ากาก็ทำกินมาอชื่นใจจะได้ท่องถินท่จงินเนี่ยธรรมนะเนี่ยแบบเมตตาเเพราะว่าเราบางครั้งมีจุดพลาดได้ใช่ไหมในใจโอ้ยสอนมาขนาดนี้ถูกทั้งหมดพูดอย่างนี้เดี๋ยวที่พูดมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็เนี่ยเนี่ยพูดแบบนี้เราต้องระวัง คือหมายความว่าบางครั้งอาจจะหลุดบ้างบางครั้งแต่เจตนาไม่มีแต่บางครั้งบางทีกล่าวกล่าวก็เป็นการหลุดความไม่รอบคอบมี้ฉะนั้นสถานะที่เราบางทีเพลินไปหรือการกล่าวด้วยจิตที่เป็นไม่ไม่เป็นบุญหรือการด้วยจิตเป็นบุญแต่ความไม่รอบคอบเยอะการกล่าวว่าทาบุรุษญาติต้องระมาดระวังถูเจตนาคือต้องการที่จะกล่าวสมมุติว่าทํากล่าวไปกล่าวมาต้องระวังการไปกล่าวมาเป็นเหตุทําให้คนเสียหายเอง ตรงนี้นน่ีเหมือนคนตาบอดคือประกอบไปได้วยความไม่รู้ไม่มีญาณเป็นคนตาบอดเลยเป็นคนตาบอดยตระหินามะโยนามะก็คือเมื่อกล่าวอย่างนี้นะพรอมมาถู ก, กพระผู้มพระเจ้าแก้คุกคามให้ได้สติกลัวว่าพระผู้รเจ้าเนี่ยทรงเพ่งเราทุกผีก้าว ประสงค์จะบีบบังคับเราเมื่อจะบอกสหายของตนจึงกล่าวว่ทาทวาสัตติตนเองความทั้งสิบเจสิบสองคนเนี่ยเป็นตน้นคือพคมเนี่ยท่านเหมือนโจรเลยตัวท่านเหมือนโจรที่ถูกเคียนสองสามครั้งในระหว่างทางอดกั้นไม่ไหวกับซัดถึงพวกเน <c oughs> ี่ยบางคนบางคนเลยนะโอ้โหถู ก, เ, กเคียนตกเหมือนกับที่เขาจับได้ เมื่อถูกเทียนนักขึ้นจึงบอกว่าคนโน้นเป็นสนายของเราเป็นต้นน่ะเหมือนกันเหละพรหมนี่ก็เหมือนกันถ้าแต่พระโคดมผู้เจริญผู้อาฆาตองเจ็ดสิบสองคนเนี่ยทําบุญเอาไว้ที่เกิดในที่นี่ได้บุญกรรม น, นรระเบเกอรี่บอกเลยพอถ้าไม่ได้สติและลึกไม่ได้ไงถ้าไม่ปิดตันย่างแรงไงพรหมเนี่ยที่มัวเพลินไงคนกับบูชาใครก็ยกย่องอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะกำลังหลงอ่ะหลงทาเสียงสนาเสริญเยินยอพระเจ้าก็ไปจี้เลย รู้จากทางของพรหมเนี่ยอรู้ไหมท่านมาเกิดยังไงเนี่ยรู้ไหมว่าท่านเห็นมันเที่ยงยิงหรือเปล่าท่านทําไมไปเข้าใจฐานะที่มันไม่เที่ยงว่าเที่ยงฐานะที่มันเป็นทุกข์ว่เป็นสุขฐานะที่มไม่ติดต่อกว่าติดต่อฐานะที่อายุไม่ยืนว่าอายุยืนท่านเกิดเมื่อกี้ไล่ไปด้วยเนี่ยเข้าเราลึกไดส้สติเกิดเนะี่ยพอเราลึกรา ล, ลึกได้ไปเสร็จเนี่ยจะไปบอกคนคนเดียวก็ไม่ได้ซัดเป็นเบื้องเหมือนโจนใช่ไหมมันก็จับโจนได้เขึ้นมา บอกไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าพูดเท่านั้นได้เห็นผิดแบบเนี้ยเพื่อนีเส็จสร็สองหนีเป็นหนึ่งเงี้ยคนเราเป็นหนึ่งเงี้ยเวลาทําผิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีนายอมรับคนเดียวโดนเหมือนโดนปัญญาเมืองแท่เคลื่อนเคียนเคลืนเคลืนี่เนียนี่พุทธยาใช้ใช้ยามนั่นนะลุกลานลุกลานได้เกิดสติไม่อยู่ในอำนาจของผู้อื่นทําผู้อื่นให้อยู่ในอำ น, นาจของตนนะ ล่วงชาติได้แล้วค่าแต่พองค์จเจริญการอุบัติขึ้นเป็นพรหมโลกเป็นครั้งสุดท้ายนี้นับว่าถึงฝั่งไตเพียรคือเวตคภูเนี่ยนะเหมือนกับปาลิปาราคูอ่ะปา ร, ะะปะราคูแปลว่าฝั่งเวทักคูอ่ะก็คือถึงฝั่งเวท้าปาลิปาราคูถึงฝั่งของบาลีก็เหมนคนที่ไปเจาปาลีปาราคูมาอยู่างพม่าเนี่ยโอยยืยดกันใหญ่เนี่ยก็ถึงฝั่งบาหลีแล้ว่ะ แต่ยังไม่ถึงฝั่งอห่งการทิ้นทุกแล้วไปยึดตรงนั้นจะกลายเป็นตัญหามาณทิฏี่ยุ่งเลยเจ้บอริธรรมมันดิบแล้วเนี่ยแล้วถึงฝั่งของอวิธรรมจบประโยชน์เก้าแล้วเนี่ยแล้มันก็มีตัณหาก็มียุ่งเลยพราะพวกข้าพระองค์ไปถึงเวททั้งหลายไปถึงด้วยเวททั้งหลาย ชนไม่ใช่น้อยย่อมปราถนาด้วยดังพวกข้าพระองค์อัมหาพิชับปันติชนะอเนกาโอเยอะมากชนเปนัันมากอ่ะชอบใจพวกข้าพระองค์บูชาข้าพระองค์สรรเสริญข้าพระองค์ย่อมปราถนาย่อมกระยิ่งอย่างนี้ว่าท่านพรมผู้นี้เป็นมหาพรมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเข้างำได้เป็นพระยาผู้ยิ่งใหญ่ผู้เห็นยางท่องแท้ ท่งแท้เป็นผู้ใช้อํานาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นผู้กําจัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยเป็นบิดาของสิ่งที่เป็นแล้วและกําลังเป็นไปนี่เป็นพระเจ้าเป็นบิดาเป็นผู้ให้กําเนิดเลยนั้นบุคคลก็พอใจเข้าพเจ้าแบบเนี้ยลำดับนั้นพระพุทเจ้าก็ตรัสกับพระกาพมบอกว่าก็อายุนั้นอปีหิตังอะไรนี่ยอปิหิตตังบอกว่าเห็นเต่าะบอกว่า บอกบอกไงบอกว่าไอ้ตามความหมายก็ว่าท่านสําคัญอายุใดของท่านในทีน่นี้วยืนอายุนั้นน้อยมากบอกว่าอายุนิดเดียวอายุน้อยมากคือนิดหน่อยใช่ว่าหนึ่งแสนิราพุทธมะมาจากคาว่าสตะสหัสานางังนิราพุทธานางังคือนั่งไงเนี่ยแสนแสนิริษานิรพุทธะเนี่ยโดยจํานวนนิราพุทธะนิราพุทธะก็เป็น เป็นสังญญาเนาะเป็นการนับเลขศูนย์นะเลขหนึ่งตามมาด้วยเลขศูนย์หกสิบแปดศูนย์นะ่ะนี่อายุอายุของท่านเท่นั้นแหละถ้านับนับไงเดี๋ยวไม่จะน้อยกันเลยนะอายุผมเนี่ยนานจัดไงทาให้เขาคิดว่าเขาเที่ยงนี่แหละบอกเรารู้อายุของท่านอายุประชานาติเรารู้ชัดอายุของท่านเราเทําปริญญาแอบหลอกน่ประชานาเทียเนี่ยประชานาชน บอกเรารู้อายุเรารู้อายุของท่านเนี่ยในบัดนี้เหลืออยู่เพียงเยท่านียทีนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้มีปกติเห็นไม่มีที่สิ้นสุดบอกว่าอนันตทัตสยะพักขวาหมามัสมีเนี่ยบอกว่าข้าแต่พระผู้มีพากเจ้าพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้มีปกติเห็นไม่มีที่สิ้นสุดเราล่วงชาติตัดได้แล้วอะไรเป็นวัด เก่าของข้าพระองค์ถามเลยกิ่งมียปุรานังถามเดียวพระเจ้าช่บอกหน่อยที่อะไรเป็นกรรมที่ข้าพเจ้าทามาในอดีตอะไรเป็นข้อว่าที่ข้าพเจ้าปฏิบัติมาถ้าพระองค์เป็นผู้ที่มีปกติเห็นไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นเช่นนั้นขอพระองค์นัดบอกข้อนั้นกิ่งข้พระองค์เลยเถิดว่าอะไรเป็นวัดเก่าข้าพระองค์สีนั่นแหละท่านเรียกวัดเนาะเป็นสีละวัดถ้าพระองค์ควรรู้แจ้งชัดนะยามมหังวิชาวิชัญญาบอกว่าควรจะรู้ที่ว่าข้าพเจ้าทํากรรมเลยมาตอนนี้ขอให้ผู้เจ้าช่วยบอกว่าเก่าข้าพระองค์เลยเถิด พระพุทธเจ้าก็ตัดบอกนะบอกว่าตัดบอกพระพจน์ข้อที่ท่านได้ดื่มน้ําเป็นต้นท่านก็บอกบอกว่าตรงนี้ท่านอธิบายบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยประกาศพรเนี่ยเกิดในเรือนของตระกูลเนาะเห็นโทษในกา ร, รมเออท่านมาเบ้นได้กับมาเมันแต่ก่อนเนี่ยนะเห็นแะพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้เนะท่านรู้บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยท่านท่านเห็นโทษของกา ร, รมาคุณขอวัตถุกา ร, รมคิดจะทําชาติชรามระน่ให้สิ้นสุด ท่า น, นคิดหาพรานะนะริพพานนั่นแหะแสดงหาความสิ้นทุกข์ท่านก็เลิบทเป็นฤๅษีที่ทำสมบาบัติให้เกิดได้ฌานได้เป็นบาตรด้วยเ ท, ทวพิญยาด้วยผู้ท่านได้พิญญาเนี่ยเราปลูกบรรณสรายจิตลมฝังม่น้ำของกาลแล้อเวลาล่วงไปเนี่ยท่านก็ยินดีในฌานในครั้งนั้นเน่ยก็มีพ่อพ่อค้าเวียนน่ยห้าร้อยเื่องวียนเดินทางผ่านมาในทะเลทรายเนี่ยที่ในทะเลทรายไม่มีใครสามารถจะเดินทางได้กลางวันได้เดินไปได้แต่กลาคืนครั้งนั้นน่ยโคร ง, งานที่เทียมเวียน เดินทางมานั้นเนี่ยก็วกกลับมายัางทางที่ที่อื่นก็แกหล้งทางกว่าจะรู้ได้ก็อรุณขึ้นแล้วโอ้ยพวกพวกค้าเกวียนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะข้ามพ้นทางกลางด่านได้ แ, แต่ว่าพอหลับกันไปเนี่ยโคมเดินผิดทางมนุษย์เขาก็คิดว่าคราวนี้พวกเราตายหมดเลยขู่โคไปที่ล้อแล้วก็เป็นโนดีล็มเมาห้องเกวียน นอนรอตายแล้วกลับไปทันแล้วโคหมดแรงแล้วพวกตาวบทออกจากบรรณาสลาแต่เช้านั่งที่ประตูบรรณาสลาเห็นแม่น้ําเต็มเปี่ยมได้ห้วงน้ำใหญ่ไหลมาเหมือนแท่งแก้วขันเห็แล้วก็จึงคิดว่าในโลกนี้เราสาัตว์ที่ลําบากเพราะไม่มีน้ํามีหรือหนออาใช้ปัญญาดูเลยก็เห็นไงตรงนี้ท่านเราช่วยตรงนี้นี่เป็นกรรมของท่า น, นเป็นวัดของท่า น, นนะเนื่องท่านทําบุญไว้เยอะว่านั้นเยอะ เกษตรเหล่านี้อย่าได้พินาศเลยเป็นท้นๆก็ที่ฐานนพิญญาท่อน้ําใหญ่ก็ไหลถ้าเหล่านั้นได้ดื่มได้อาบนี้จริงท่านก็สามารถจะพ้นจากการตานเป็นต้นะเนี่ยนี่คือวาที่ท่านเคยทามาสมัยต่อมาบรรดาบุตรเก็สรบรรณศาลาที่ริมฝั่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้พวกโจรปล้นบ้านพาแม่โคและเจชลยศึกทั้งหลายไปทั้งโคทั้งสุนัขเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายก็ร้องเสียงดัง ดาบทได้<ม>ยินเสียงก็อะไรโนะ้ก็ช่วยเขาเนี่ยก็เนร ม, มิตต่างๆก็สา ม, มารถที่ช่วยได้ในครั้งที่สองต่อมาก็คือว่ารายละเอียดไม่ไม่บอกแล้วต่อมาก็ตระกูลหนึ่งเนี่ยในแม่น้ําคงคาเนี่ยด้านเหนือผูกสันตว่าไม่ตีกับตระกูลหนึ่งนะซึ่งอยู่คนละฝั่งกันเนี่ยแล้วก็ถูกเรือนกันนนําบรรเทาทุก ของกินของใช้ของหอมเลยดอกไม้เป็นต้นเป็นนั้นมากมาตามกระแสก็ไม่น่านขึ้นมาทีนี้ก็มนุษย์ต่างๆก็ถูกถูกจับก็ในที่สุดจริงๆก็คือว่ายังเคยยาการะหน้ากระลาเห็นโกโรธคิดว่ามนุษย์เหล่านี้ทําให้ทําเกิดความรังคานแผ่พังพานที่จะทำร้ายมนุษย์ท่า น, นก็ช่วยได้เนี่ยนะแล้วก็ต่อมาก็คือท่านบวชเป็นฤาษีเป็นดาวบว พระพริีสัตว์ของพวกเราเป็นมานพเชื่อกับปากเป็นศิษย์ของท่านกาสวะใช่ไหเพราะท่านเราเกยเป็นลูกศิษย์ดูที่นั่นปฏิบัติรับใช้อาจารย์ประพฤติเป็นที่ชอบใจเป็นผูดถึงความมีปัญญาเป็นผู้ทรงไว้ซึ่ออาถรรพเกสวะดาบทไม่อาจจะอยู่แยกกับเธอได้อาศัยเธอเท่านั้นเลี้ยงที่พระศาสดาทรงสแสดงปุพกรรณัณต์ก็อบอกถึงไม่เป็นลูกศิษย์เนี่ยแต่ว่าท่านชอบใจข้อวัด เราก็ใส่ท่านลงทีเมื่อท่านก็ตายก็มาเกิดเป็นพรหมเนยนะทีนี้ก็คือบอกว่าท่านก็พอเล่าปุปกป ร, รมเสริฐเสร็จอย่างนี้ก็ยังพรมให้สว่างสวัยเป็นต้นเหานี้ในสุดจริงๆก็คือว่าท่านเกสวามีปัญญาสมบูรณ์ในวัดโดยชอบจึงแสดงว่าในสมัยนั้นเราจะเป็นอันเตวาสิก ข, ของท่านแม้สิ่งอื่นๆพระองค์ก็ทรงทราบได้เนะไม่ใช่เฉพาะแต่อายุ ข, ของข้าพระองค์ทีเดียวแม้สิ่งอื่นๆพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าตถาหีบพุโทโธ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า so คือความเป็นพระเจ้าฉะนั้นพระองค์จึงทรงทราบข้อนี้ฉะนั้นอุ้ภาพรุ่งเรืองของพระองค์นั้นตถาหิปริยายังชริตานภาวกวเพราว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าอย่างนี้ฉะนั้นพระองค์จึงมีอนุภาพรุ่งเรืองจังทำพรมโลกให้สว่างไสวทําพรมโลกทั้งปวงให้สว่างไสวเป็นต้นอะไเนี้ยในส่วนยิ่งท่านก็คลายนภากาพมนี่ก็คลายมิจฉาทิพย์เป็นต้นอะไเนี้ยเนี่ยท่านต้องการบอกว่าตั้ง เดี๋ยวกรณีรที่พรมเนี่ยนะเมื่อพ e ระองค์ทรงทราบอายุของข้าพระองค์แม้สิ่งอื่นพระองค์ก็ทรงทราบเพราะพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าฉะนั้นอนุภาพจึงรุ่งเรืองจริงจังพรมารคให้สว่างสวให้จบขพระสูตรนี่คืออย่างนี้คือสามารถคายมิชาทิฐิคือศาสนาทิฏฐิของปากาพรมนั้นนะนี่ก็เป็นตัวเชื่อเห็นบอกว่าจะได้เข้าใจบอกว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหม เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยพุทธคุณของพระองค์เนี่ยไม่ใช่แผ่เฉพาะแต่ในมนุษย์โลกเท่านั้นในเทวโลกพร้อมทั้งพร้อมมาเลยทีนี้ถ้าทำคำสอนถ้าใครมาศึกษาอย่างนี้นะตอนไอ้รที่ใดศึกษาก็จะรู้ว่าต้นต่อมาอย่างไรแล้วในที่สุดจริงๆก็ยำสัมมาปฏิบัติในสุดก็จะศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นและในสุดก็จะเดินตามล่องรอยที่พระเจ้าที่พระเจ้าทราบหมดเลยพระเจ้าทราบมาารรคฉลาดในมรรคแล้วบอกบอกบอ ก, บอ ก, บ, อกบอกมรรค พระพุทธเจ้าทราบทราบวันนี้เป็นมิฉาม a r k อันนี้เป็นสัมมา mark นี่เป็นอริยม a r k เถอะไหมทราบผลทางที่จะไปเกิดในไบยพภูมิก็ได้ในสุคติภูมิก็ได้หรือเป็นป้าริยะในการเจริญรุ่งนี่พระพุทธนิพพานเป็นต้นเ็นต้นใช่ไหมพระองค์เป็นสัมมาสุภโองดีสว่างสวัยเป็นต้นงั้นเราศึกษากะทำคำสอนของพระอาจารย์ถ้ามองเหตุการณ์ต่างๆๆนี้ก็จะเข้าใจพระองค์มากขึ้นเมื่อเข้าใจเสร็จตรงเนี้ยแล้วเราจะได้เดินเออเราจะเดินยังไงแต่ที่มีตั้งมันแล้ว ในการนี้ตั้งมั่นในคุณของผู้นี้พระเจ้าแล้วก็จะไม่เรื่องวัตถุ ก, การมจะไม่เร็วๆไวๆใช่ไหมจะจะรีๆรอๆแล้วแต่เรื่องพระธรรมยังเรื่องธรรมโอสถที่เราจะต้องดื่มธรรมโอสถให้ได้วันละกี่รอบเพราะดื่มเข้าไปแล้วมันจะล้างพิษใช่ไหมมันจะล้างกิเลสมันจะขจัดกิเลสในใจเป็นต้นดนัอันนี้ก็เราก็จะน้อมในการที่จะขัดเกลาตัวเองครับเอาวันนี้ก็สมควรเรียกเวลา อันอุทิศส่วนกุศน้มจุทิศส่วนศี่เกิดขึ้นจาการสาธยายจากกาังพจน์เจริญพระคุณนะท่านยตีปิโสบาคาวะอรหังสัมมาโพธวิชฌาจารนสัมปันโน สารทิสาธาเดวมนุสนา นาทิเมสารานังอันยังธรมโมเมสาราังวะรังเอเตนะสัจวัตเจนะวัตเถยังสัตตุสาสเนนาทิเมส a ร g ังอั n ยัง สังโฆเมสะระนังวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏเยีงสัตถุสานกายเนวาจายวาเจตสาว พุทเธกุกรมังปตังไมยายังพุทโปาิคาหาตุอจัยันตังการันตเรสามวริตุงว่าพุเทายเนวะจายวเจตสาว ดัมเมฆุก a m มังปะกตังไมยะยังดัมโมปฏิการหาตูอจ a ยยานตังการันตระสังวริตรงวัดดัมเมทายเนวายะวัจเจตาสาวาสังเขกุกัมมังปะกตังยยัง สังโฆปาติการหาทุกขจัลยานตัง t ารันตระสังวริจงวังเด